คกรครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระสหธรร ม, มิกน้องนุ่งทั้งหลายแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและมีท่านนายอำเภอและกบหัวหน้าส่วนราชการหลายกลุ่ม หลายหมู่หลายคณะที่มาร่วมงานวันนี้นับว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะที่คุณแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ร้อยเก้าปีแต่นี้ท่านได้จากไปแล้วแต่พวกเรามาลํำลึกถึง บุญคุณของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมและอาตมาภาพเองอย่างที่โคศกได้พูดไปสักครู่นี้ตั้งแต่ยังไม่เกิด่คุณแม่ก็ได้ิเริ่มตั้งชื่อให้พ่าชื่อของกระผมเองหรือชื่อของอาตมาภาพเองจึงเป็นชื่อที่แปลกปรลากว่าชื่อทั้งหลายแต่เมื่อท่านตั้งให้แล้วก็ถือว่าเป็นชื่อมงคล มงคลมหามงคลก็ไม่คิดอยากจะเปลี่ยนชื่อนี้คนทั้งหลายก็ถามไทยเหมือนกันว่าทําไมจึงมีชื่อนี้แต่พูดได้คําเดียวว่าคุณแม่ชืี้แก้วเป็นคนตั้งตั้งชื่อให้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อนี้ให้ก็รับรับรับได้เปลี่ยงแค่นานถือว่าคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับ อาตมาภาพเองเพราะว่าทั้งโยมพ่อทั้งโยมแม่ทั้งโยมญาและวงศาคณาญาติพี่ป้านะอาพวกอาอาน้น า, น า, นาทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือคุณแม่อย่างสดเซิงเพราะท่านถ้าจะว่าไปแล้วเป็นที่ยอมรับทั้งทั้งการเป็นอยู่และทางด้านจิตใจด้วย คือทางด้านจิตใจถ้าจะว่าไปเหมือนกับคุณแม่มีญาณทัศนะมีความรู้แปลกๆในตัวของท่านเองโดยมากท่านจะพูดสิ่งไหนออกไปสมัยเมื่อเราเข้ามากราบมาไหว้ท่านโดยมากจะไม่ผิดพลาดที่ท่านไปพูดออกไปที่ท่านกล่าวย้ำเตือนออกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ยอมรับของลูกหลานทุกคน ที่มาเกี่ยวข้องกับคุณแม่และท่านก็เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีจะสอนให้ลูกหลานให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ให้รู้จักพี่รู้จักน้องท่านจะสอนพวกลูกหลานทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกับท่าน ถือว่าคุณแม่จึงเป็นร่มโพ ร, ร่มไสของคนในถิ่นฐานในแถบนี้ถว่าใครได้เข้ามากราบมาไหว้คุณแม่แล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นพวกคณะสัายาดยมรุ่นเก่าๆที่มารักษาศีลหรือเมาไหว้พระสวดมนต์คุณแม่จะให้ธรรมะแนวธรรมคำสอนแนะนำสั่งสอนในเรื่องศีล เรื่องธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกิตภาวนาที่ท่านจะสอนเรื่องภาวนาเป็นจริงที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือท่านท่านสอนภาวนาเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของขา้าราชกาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงถือเสมือนเป็นร่มโพร่มใจของลูกของหลาน ตลอดมาจากนั้นองหลวงตามหาบัวเมื่อลงปู่มั่นมรณภาพเมื่อปี2492หลวงปู่หลวงตามหาบัวจำพรรษาพอหลวงปู่มั่นจับมรณภาพปีนั้นหลวงตาก็ได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในายอดมากลับจำพรรษาที่สำนักเดิมของหลวงปู่มั่นปีหนึ่ง จากนั้นองหลวงตาก็ได้ขยับขยายลงมาจำพรรษาที่บ้านห้วยสายปี2493จากนั้นคุณแม่ชีแก้วท่านก็ได้บวชก่อนหน้านี้อยู่แล้วท่านก็ได้ศึกษาธรรมภาคปฏิบัติกับองหลวงตามหาบัวแต่ก่อนหน้านี้ก็คุณแม่ชีแก้วคุณแม่ของเราก็ได้ศึกษาภาคปฏิบัติกับองหลวงหู่มันพอ พอเป็นพื้นฐานแต่หลวงปู่มั่นท่านก็นประเทศสอนในรายละเอียดเพราะว่าสมัยนั้นคุณแม่ของเราคุณแม่ก็ยังเป็นเด็กหนุ่มสาวอยู่ก็ยังยุ่งกับการคอง <c oughs> การคองชีพของตัวเองแต่พอมาคราวนี้ท่านได้บวชเป็นชีหลวงตามหาบัวยังได้สอนธรรมะในภาคปฏิบัติให้แก่คุณแม่ชีแก้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ได้อ่านในประวัติหลวงปู่มั่นหรือธรรมเทศนาหลายกันแต่ทุกวันนี้หลวงตาท่านก็นยังพูดว่าท่านในอบรมคุณแม่ชีแก้วถึงภาคปฏิบัติเรื่องจิตตะภาวนาที่ท่านมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาทั้งสี่ปีสี่ถห้าปีแต่ท่านก็นสอนคุณแม่ท่านจนท่านก็ให้ความมั่นใจว่าในภาคปฏิบัติแล้ว คุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นแค่ว่าเป็นอย่างนั้นคืออะไรคือจิตใจที่ได้สำเร็จมรรคผลของท่านนั้นเหมือนกันเน่ยต่างกันจะเป็นอุบาสิกาแต่ธรรมะไมนได้เลือกว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเหมือนครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าภิกษุณีที่ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต ก็มีมากต่อมากที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในยุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าผู้ใดมีความใฝ่ใจมีการศึกษามีความตั้งใจจริงก็สามารถที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างในครั้งพุทธกาลไม่แพ้กันเพราะมรรคผลนิพพานถ้าว่าผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงว า, าไม่มีการเปลี่ยนแปลง นี่หลวงตามหาบัวท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนคุณแม่คุณแม่ก็ได้ปฏิบัติตามจนได้สำเร็จมักสำเร็จผลอย่างที่หลวงตาท่านรับรองแต่พอต่อมาคุณแม่ก็ได้มรณาภาพปีสนะนะองพันสี่ร้อยสามปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าและาสิบหกน้พ่อจับไม่ไม่ได้ จากนั้นมาเราก็ได้ไประชุมเพลิงของประชุมเพิงคุณแม่พอไปชุมเพิงไม่นานอธิษฐานของคุณแม่ก็ได้กลายเป็นพระธาตุเอ่อเป็นเม็ดเป็นแก้วขึ้นมาต่างคนก็ต่างเป็นหลายหลายคนอ่อที่ได้รับไปจากนั้นก็ได้มารวมกันว่าพวกเราจึงมั่นใจว่าที่หลวงตามหาอัวรับรองว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นพระอรหันต์พวกเราก็มั่นใจเพราะว่า กระดูของท่านได้กลายเป็นพระธาตุในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าว่าผู้ใดอธิได้อธิได้กลายเป็นพระธาตุผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากพระอระหันต์เพราะฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าคุณแม่ชีแก้วของเราเนี่ยท่านได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่องค์หลวงตายืนยันแน่นอนจากนั้นที่คุณหมอเป็นศรีมการาณ แต่ที่มาอุปถรัรมภะถาดแต่ตามไม้จริงคุณหมอเป็นศรีมกรานนท่านก็เป็นหมอจากสิริราชลามาแท่านก็เลยล า, ยลายออกจากงานมาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมเห็นคุณแม่ป่วยท่านก็เข้ามาช่วยดูแลที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรตอนนี้พอเข้ามาแล้วเขาก็บอกบ่าคุณแม่เนี่ยคงอายุจะไม่ยืน มาถึงวัดประมาณชักสามเดือนคุณแม่ก็คงจะจากไปคุณหมอเพนสีก็เลยบอกอเพียงสามเดือนเนี่ยเราน่าจะเสียสละเข้ามาดูปนิบัติคุณแม่เพื่อเอาบุญกุศลจากคุณแม่จากนั้นท่านก็เข้ามาดูแลปนิบัติแคุณแม่ก็เลยไม่จากไปไง่ายๆทีนี้จนจนอยู่ถึงสิบห้าปีฮ อยู่วิจัยอยู่สามเดือนจนอยู่ถึงสิบห้าปีคุณแม่จึงได้จากไปนี่แหละคุณหมอก็แปลกใจอีกเหมือนกันว่าอปอดของคุณแม่นี่ยที่พ่าเป็นมะเร็งปอดคุณแม่ไม่หายใจเลยเอาเครื่องฟังเข้าไปฟังไม่ยินไม่ได้ยินเสียงเลยคุณแม่อยู่ได้อย่างไรนีอันน้ก็เป็นที่แปลกใจของคุณหมอจากนั้นเมื่อคุณแม่จากไปคุณหมอก็ได้กลับลงกรุงเทพ ท่านก็ได้ตั้งจิตอันแนวแนวว่าท่านจะสร้างเจดีเพื่อบูชาพราะคุณของคุณแม่จากนั้นพอท่านได้จะถุกปัจใจได้มวลดุมาท่านก็ได้ไปเสน อ, อต่อคณะสงฆ์มีอาตมาภาพเป็นผู้นำและกับคณะสงฆ์คณะสภานิยมกลุ่มรดไฟได้ปรึกษาหารือกันจึงได้สร้างเจดีนี้ขึ้นมา ท่านได้เสียสละถทุษทรัพย์หมดไปส0บสิบแ18ดสบเกล้านเจดีนี้เพราะนั้นนี่แหละความเป็นมาของเจดีหรือว่าความเป็นมาของคุณแม่ชีแก้วพวกเราท่านทั้งหลายทางว่าไม่พูดไปกเดี๋ยวจะเลือนลางหายไปกับสายลมถ้าได้พูดขึ้นมานี่กให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เป็นแนวความคิดว่า มรรคผล น, ผนิพพานเออถ้าว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่มรรคผลนผิพพานยังคงเส้นคงวาบาบุลคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เทษวาภคที่ท่านได้ประกาศได้พูดได้ตรัสเอาไว้คุณแม่ท่านก็ยืนยันอีกเหมือนกันเออตายแล้วเออเทพภูมินรกสวรรค์มีนะ แอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนั่นะแจะพาพวกเราไปสู่ทุกขติแต่ถ้าพวกเราทำดีความดีนั้นจะพาพวกเราไปสู่สุขติเพราะนั้นขอให้คณะท า, ายาิรวมโลกหลานหน้าคุณแม่เคยสอนอยู่เสมอท่านบอกว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้จะหาดีก็ได้จะหาชั่วก็ได้จะหาานรบสหสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้ จะหาความชั่วช้าเสียหายใส่ตัวเองก็ได้จะหาคุณงามความดีใส่ตัวเองก็ได้เพราะนั้นพวกเราท่านบอกว่าสิ่งที่ถ้าโลกหาได้อย่างนั้นเราก็ควรจะหาแต่คุณงามความดีหาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายอย่าอย่าหาเข้ามาใส่ตัวเองเอถ้าวันเราหาเข้ามาหาตัวเองแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังดังทคำคาสอนของพระพุทธเจ้าว่า ทักตะตุกตะตั ง, ตงเส้ยโยปัชชาตะปติตุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านบอกกรรมโลกนี้เป็นโลกหาได้ให้คนพวกเราควรทําแต่กรรมดีแอ่กรรมที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทนะํานนะลูกหลานเน้อถ้าเราทํากรรมดีแล้วมีแต่ความสุขความสบายใจไปนะสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ถ้าเราทำกรราไม่ดีแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดร้อนการกล่าวสมมนิทนิยกรานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุดติในการกล่าวเพลี่ยนท่านี้